أ َ ف ر َ ا ط ِ ا ل ح َ م ِ ي د إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ والمسجد الحرام الذي جعلناه ولناس سواء أن العكف ا فيه والبد ا جعلناه ل ل ن ا س سواء أن العكف ا فيه والبد ا ومنه و َ ما يريد فيه ب ا ل ح ا د م ب ِ ل ُ ل م نذق من عذاب أليم. وإذ بوءنا ل ب ر ا ه ي م م مكان البين. وإذ بوءنا ل ب ر ا ه ي م ما ك ا ن البين. a l l a ش ر u s ي r i k bi shayaa wa tahhir b ก ا รสุ jud บิสมิลลาฮิ р р а х м ح н ррахиим อินนั้ลฮ ه มดลิลลาห و นะฮ์มดุห์วะนัสตั ه นุห์วะนัสตัก و م รุห์วะน้าอุซุบิลลา ه ์หมินดี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 رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد الرسولا اللهم اني اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ا ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم ع ا ف ن ي في بدني و ع ا ف ن ي في سمعي و ع ا ف ن ي في بصري السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته พี่น oui ้องที่ร่วมนมาสซุบฮ์ที <sk wym material>. ่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์เราขอบคุณอัลล์ะวตาลาที่อัลลอ์ให้เราได้หลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาดที่เราอ่านก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลัลอาะบดมอมตานวะิฮินชูรดออกจากบ้านบิสมิลลาห์ ทวกลงตัวอัลลอฮ์วะลาฮ์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาน์วะลาน์วะลาง์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะลาห์วะล สุรที่ส2อนะครับอายาที่ย3สิบสาหรับวันนี้ครับพี่น้องเ <c oughs> มื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านมาถึงอายาที่ยี่สบสสรุปนิดนึงนะครับกุลละมาอราดูอายยัครูจูมินฮามินรัมมินออีดูฟีฮา วาลูกูอาดาบัลฮาริกคำใจที่พวกเขาปรารถนาจะออกจะออกให้พ้นจากความทรมานนะครับกออยู่ในไฟนรกใจนีอยากจะออกนะออกให้พ้นจากความเดือดร้อนความทรมานพวกเขาก็ถูกให้กลับไปอยู่ในนั้นอีก แราจะมีเสียงกล่าวบอกว่ารู้กูอาญาบัลฮาริกจงชิงการลงโทษที่ของไฟที่คุกไหมอัลลอฮพี่น้องนี่อัลลอฮเล่าให้ฟังนะชีวิตของคนชาวนรกเนี่ยลำบากจริงๆตกนรกแล้วนึกอยากจะออกแต่ถูกเพิ่มการลงโทษอีกนะครับพี่น้อง เดยอธิบายแล้วว่าอธิบายเพิ่มนะคนที่จะตกนรกเนี่ยเพราะทำบาปอธิบายเรื่องบาปเอาไว้ประมาณสิบกว่าข้อนะครับเ <c oughs> ช่นบ้านที่มีสุนัขเลี้ยงสุนัขเอาไว้เป็นบาปใหญ่ผู้หญิงที่แต่งตัวเหมือนเปลือยกายอธิบายยังไงแต่งตัวรัดรูป มองข้างหลังนี่เห็นทรงหมดเลยเอวเท่าไรท้องเท่าไหรหน้ากอกเท่าไรแต่งตัวนะ้แต่งตัวปิดไม่ปิดแต่มองเหมือนกับไม่ได้ปิดเนี่ยน บ, บีสอนนะครับข้อที่สมไม่จะแต่งตัวตามหลักการของอิสลามนะครับเช่นอัตะบารรุช เนี่ยเดินแต่งตัวตามแบบฝรัง่งคอทีซีเวลามุสลิมะออกจาก บ, บ้านเนี่ยใส่เครื่องหอมก็ร์นันนบาบใหญ่มากเลยเ ค, ความจริงเครื่องหอมเนี่ยผู้หญิงมุสลิมะเนี่ยก็ให้แต่งกันตอนอยู่ต่อหน้าสามีหะทำอย่างลรลยนะครับอาลนั่นเรื่องบา บ, บาบนะครับอาวันนี้มาดูอายะที่ที่ส3า อยายะที่23ต้องการจะอธิบายว่าเมื่ออลัลลอฮ์พูดถึงเรื่องชาวนรกก็คือคนชั่วคนเลวคนที่ไม่เอาอิสลามไม่เอากราุรอานไม่เอาซุนานะนาบีพอพูดจบอลัลลอฮ์ก็กล่าวถึงโทษของคนที่ไม่เอาอิสลามจะได้อยู่ในนรกนะครับที่ลุกไหม้พอพูดจบอลัลลอ์ก็มาพูดถึงเรื่องคนที่ศรัทธาต่ออลัลลอฮ์อยายะที่23 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ج ن ا ت تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسابي ر من ذهب ولؤلؤا واللباسهم فيها حرير الله أكبر إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها มินอาซาอิรมิน ذهب و ل ؤ ل ؤ ا و ل ب ا س ه م فيها حليب อัลลอฮฺอัลอเชื Little ่นใจอัล uh กุรอานทีน้องมาดูกุรอานนะครับครับไปอินนลลอแท้จริงอัลลอยุดอะฮลูแปลว่าให้เข้า อัลลอ์จะให้เข้ายุดพี่รูปบว่าถูกทำให้เข้านะพี่น้องอามะอัลลอีนาอามานุผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คำว่าศรัทธาต้องศรัทธาหกข้อนะไม่ใช่ข้อเดียวสองข้อสามข้อต้องนึกอยู่ในใจเลยอามานุต้องหกครับแท้จริงอัลลอฮ์ทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาวามแลุสซาลิฮต และผู้ที่ประกอบการดีทั้งหลายอามิลาอามิลาอามิลูแปลว่าทำหรือประกอบอลลัลลอลฮกแปลว่าการดีทั้งหลายแท้จริงอัลลอฮฺจะทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบการดีทั้งหลายเข้าอ่ายุดขิลแปลว่าเข้าไปน้องยันนาจิน จันนาแปลว่าสวนสวรรค์เป็น พ, พรุพจน์ด้วยจันนาตินสวนสวรรค์หลากหลายตาจริไหลผ่านมินตั้งที่หั่อันหาดหน้เบื้องล่างณนเบื้องล่างของสวรรค์นั้นมีแม่น้ําไหลาสายไหลผ่านพูดย้าไปย้ำ ม, มาตรงนี้ตลอดเวลาพอพู ด, ดเรื่องสวรรค์ต้องตามด้วยตัจรี มินตะที่ัลอันภาดมีแม่น้ำไหลาสายไหลผ่านเราต้องจำแล้วแม่น้ำไหลาสายนะั้มีกี่สายนะสี่สายแ ต, แต่ต้องสิดอธิบายว่าสี่สายหนึ่งน้ำอะไรนะน้ำสะอาดสองน้ำพึ่งเป็นสายสายเนะเป็นลำน้ำเลยนะแล้วก็สามนำ้ำนมสี่น้ำเหล้าอัลลอฮฺอัลล เป็นสายสายเลยแล้วก็กินแล้วไม่ไม่มืนไม่เมาเนี่ยอธิบายในหลอบันมันยิ่งใหญ่มากเลยนะตกลงว่ามีแม่น้ำไหลสายไหลผ่านใต้สวนสวรรค์มีอย่างน้อยสี่สายมีอะไรบ้างหนึ่งน้ำสะอาดสะอาดสองน้ำพึ่งสน้ำนมสน้ำเหล้า นะครับน้ำเล่าอย่าไปเจนตนาว่ากินแล้วมึนเมาก็าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแล้วก็พูดย้ำไปย้ำมาเดี๋ยวเจออีกนะครับคนที่จะเข้าสวรรค์ก็คือคนที่มีอีมานต่ออัลลอ์คนที่ประกอบการดีทั้งหลายพวกเขาจะได้อยู่ในสวนสวรรค์ใต้สวนสวรรค์นั้นมีแม่น้ำไหลาสายไหลผ่านนะครับ ทีนี้คนที่อยู่ในสวนสวรรค์อยู่ข้างบนเนี่ยเป็นไงครับอยู่ฮัลลาหนะอยู่ฮัลเลาหนะแปลว่าพวกเขาจะถูกสวมใส่ฮัลลาอยู่ฮัลลูเนี่ยเพราว่าถูกประดับประดาไปด้วยที่ที่ไหนที่ถูกถูกประดับประดาเนี่ยที่ไหนที่ถูก น, นา้าน้ำาดผ่าน ที่ไหนร้อยอาบน้ำนมำตาผ่านตรงไหนตรงนั้นแหละจะมีเครื่องประดับอยู่หัน ล, ล่ า, นาฟิฮาจะถูกสวมใส่รือร้อยนะครับฟิีฮาในในสวนสวรรค์ถูกอะไรร้อยครับมินอาซาววลอาซาวเวลแปลว่า ก, กำไรมือผู้หญิงชอบนะครับมินอาซาเวล จำลายข้อมือหรือจำลายมือทำมาจากอะไรครับมินซาฮาบินจากทองคำอัลลอฮฺว่าผู้หญิงอยากได้บนบุญญาก็นเนี่ยอัลลอเวลาอ่านข่าวของคนกาเฟสเนี่ยเขาให้มหฮัดกันน่ะเป็นทองคำแพงไหมอัลลอฮฺว่าาเอาละไม่มีปัญหากแต่อิสลามเนี่ย มันจะกำห น, นดต้องให้เยอะเยอะไม่จำเป็นใช่ไหมเอาล่ะคนในสมัยนบีแต่งงานนี่ไปน้องมหัทไม่ได้แพนเลยแล้วก็แต่งงานก็แต่งง่ายเพื่อต้องการจะบอกให้รู้ว่าพยายามจัดเรื่องนิกายเป็นเรื่องง่ายๆพอนิกายเป็นเรื่องง่ายในดินามีไหมดินาไม่มีถ้าการจัดเรื่องนิกายเป็นเรื่องยากเนี่ยอัลอลอฮฺบัสบัสดีนาตามมาเต็มไปหมดเลยไปน้อง ผู้หญิงกับกําไรทองผู้หญิงกับกําไรมือนอโลเป็นของคู่กันแล้วก็ผิวหนังนี่นะผิวหนังของผู้หญิงเนี่ยที่ใส่ทองเนี่ยมันกลมกลืนกันส่วนผิวหนังของผู้ชายที่ใส่ทองนี่นะทาให้สเปิร์มทําให้สเปิร์มเนี่ยของผู้ชายนะ่ะอ่อนตัวลงเวลาไปผสมพัน์นะครับไ ป, ไปนิก้าเนี่ยนะครับ น้ำสเปิร์มของผู้ชายเนี่ยมันอ่อนตัวลงเวลาไปผสมพันธุ์ครับลูกที่เกิดมานั้นไม่สมบูรณ์ น, นักวิทยาศาสตร์และอลุลามะได้รวมตัวกันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ว, ว่าทำไมอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ผู้ชายเนี่ยใส่เครื่องประดับไม่ให้ใส่ทองที่คอที่แขนแม้จะผ้าไหมก็ไม่ให้ใส่เพราะอะไรไปที่สน์แล้วนะครับทาให้สเปิร์มของผู้ชายเนี่ยอ่อนตัวลง เป็นตุ๊ดเต็มหมดในเมืองไทยยังไม่เห็นเหรอเพราะฟาฝืนคําสั่งของอัลลอฮ์ทั้งหมดนะอยู่กันไปอัลลอฮ์ให้เห็นเล็กๆ น, น้อยๆยู่นะ้องโอ้ถ้าให้เห็นแบบทางประเทศเป็นตุ๊ดหมดนะนะมันเลิกกันนาแลว้วแต่นี้อัลลอฮ์ให้เห็นเล็กๆ น, นอนะ้อยๆอัอมาครับอยู่ฮัลเลานะฟิฮ์มินอัสาวิรมินซาฮับ อัลลอจะให้คนที่อยู่ในสวนสวรรค์นั่นถูกสวมใส่หรือร้อยนะครับด้วยกําไรมือที่ทำมาจากระหัสแปลว่าทอวะลุลูอาแล้วก็ไข่มุกอัลลอฮลุลุแปล ว, ว่าไข่มุกอัลฮัมดุลิลลาห์ของที่ผู้หญิงชอบทั้งหมดบนดุยาก็ชอบอาครารักก็ชอบอีกอัลฮัมดุลิลลาห์ ออันนี้บูชาได้หมดเลยเฉพาะดุง ญ, ญาณเนี่ยบูชายไม่ได้แต่อาคคีรอดเนี่ยบูชายใส่ได้เลยอัลลอฮฺเอาใครอยากใสก่ก็อยากใส่อย่าเพิ่งชายบนโลกดุง ญ, ญาณ น, นะแต่บนดุง ญ, ญาณเนี่ย ห, ห้ามห้ามห้ามอะไรนะห้ามใส่เอาไปใส่ ย, ยังต้องอาคคีรอดแต่นี่นาตอกซีนอธิบายแบบว่า ที่ไหนที่มีที่เราานอาบน้ําน้ำมาเนี่ยอย่างข้อมือเนี่ยผ่านอาบน้ําน้ำมาเยอะให็นไหมจะมีทองเต้นไปหมดเนี่ยที่คอก็มีที่แขนก็มีอัลลอฮฺอักบัตและต่อมากิวาลีบาสูฮมุมและอาภรณ์ของพวกเขาในนั้นนะครับเป็นคารีเป็นผ้าไหมอัลฮัมดุ ล, ลิลละเป็นผ้าไหมครับพี่น้อง อ๋อเหอครบว่าดังผมอ่านในในขดีสอธิบายอย่างนี้เสื้อผ้าในสวรรค์นเนี่ยอาภรในสวรรค์นหนึ่งไม่เก่าเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยนะไม่เก่ามีจะสวยขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นสองเฉพาะผ้าเช็ดหน้าที่ทํามาจากผ้าไหมยอย่างดีเยี่ยมเลยนะผ้าเช็ดหน้ายอย่างเดียวนะอ๋อเหรอครับว่ ข้อที่สามเครื่องประดับนะครับที่ไหนที่เป็นอวัยวะที่ถูกน้ำน้ำาด ก, ก็จะมีเครื่องประดับถูกสวมใส่ให้ข้อที่4ีพี่น้องความหึงหวงความกโกรธความผูกพยาบาทจะเอาชนะกันไม่มีคนที่อยู่ในสวนสวรรค์อัลลอฮฺะจะถอดออกก่อนจะเข้า ก่อนจะเข้าประตูสวรรค์อรรถจะดึงเอาถอดออกความหึงความหวงความอิจฉาที่สความเกิยวความโกรธความโมโหเอาชนะที่อยู่ในะใจอยู่นะถอดออกหมดเลยตอนนี้อรรถแปะไว้นิดนึงแปะไว้ในใจไอ้ที่อรรถแปะไว้เนี่ยสามารถควบคุมได้เอาอะไรมาควบคุมเลยไหมเอาอะไรอิมานเพราะอิมานควบคุมปั๊บเนี่ยอยู่หมดเลย ท่บางคนเนี่ยเอาล่อให้เครื่องควบคุมอารมณ์เอาไว้นะแต่ไม่ไดเอามาใช้มา่ไ่เอามาใช้ไปน้องท่คนที่เอามาใช้นะเขาอยู่แบบสง่างามเลยอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาน้องอามาดูคำอธิบายของตัมซีอิฟโนกเซตในตัมซีอิบโนกเซตอธิบายบอกว่าอายาที่ผ่านมาเนี่ยในอายาที่17เจดของสุรานี้สิบเ็ดนะ มีคนอยู่หกกลุ่มสิบเจ็ดนะสิบ็ลงท บ, ท, บ, ท, บทวนดูอายาที่สิบเจ็นะมีคนอยู่หกกลุ่มหนึ่งผู้ศรัทธาสองยาฮูดีสามซอบีอีนสี่นาสารอห้ามายูซีหกผู้ตั้งพาคีมีอยู่หกกลุ่มแต่ a ลล a h อยายะที่23เนี่ยเอาคนกลุ่มเดียวเข้าอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้สังเกตอีกห้ากลุ่มไม่ได้เอาเข้ากลุ่มไหนบ้างอะ่ะ 1. ยาฮูดี 2. ซอบีอีน 3. นาสรอ 4. มายูสมายู ซ, ยซีพวกบูชาไฟ 6. ผู้ตั้งภาคีห้ากลุ่มอัลลอฮ์ไม่เอาเข้าสวร์ มีอยู่กลุ่มเดียวอัลลอฮฺนิาอฺมันหัวมิลุสซาลิฮฺน่าคิดฉะนั้นใครที่ไม่อีมานต่อ Allah, าาอัลลอฮฺบนโลกดุนยาใบานี้หมดสิทธคนที่ไม่เอากุรานมาเป็นทางนําสําหรับชีวิตบนโลกดุนยาใบนี้หมดสิทธคนที่ไม่เอาสุนนะของท่านนบีมาใชา้ในะชีวิตประจํวาวันหมดสิทธ์ตัลงว่าคนที่จะเข้า <S <s <will gan> อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์มีเครื่องประดับมีอาภรณ์สวมใส่นะอัลลอฮ์เป็นน้องมีอยู่คนกลุ่มเดียวเท่านั้นเองกลุ่มที่อาหมนูวะมิลุซอิฮาตที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และประกอบการงานที่ดีเห็นยังครับเพิ่มใจไหมเห็นนี่ศัตรูของอิสลามอย่เยอะห้ากลุ่มเนี่ยกลุ่มที่ห้ากลุ่มเด่นที่ที่เอา ที่ซื่อสงสารมุสลิมก็มีที่ไม่สงสารตัวเยอะที่เป็นศัตรูประกาศตัวชัดเจนมีไหมมีทั้งหมดแต่ต้องระวังห้ากลุ่มนี้นะครับที่น้องอาทินี้ผมเอาฮะดิษมาประกอบคนที่จะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์มีกลุ่มไหนบ้างมีกลุ่มไหนบ้างนะครับนี่คนที่อิมานต่ออัลลอฮ์แล้วมีอามันทีซอแลนี่นะครับผม เอาฮะดีษมาทั้งหมด15บรายการอะพี่น้องฟังไปกันแล้วกันนะสบรายการหนึ่งใครบ้างที่จะเข้าสวรรค์ของ a l l a ตามฮะดีษมาไม่ใช่ตามกุรานนะเพราะฮะดีษมาอธิบายกุรานคนที่หนึ่งพี่น้องคนที่จะได้เข้าสู่สวรรค์ของ a l l a ต้องขอทูอาก่อน Allahumma jaalna minhum โอ Allah เดี๋ยวโปรดทาให้พวกเราเนะี่ยอยู่ร่วมกับพวกเขาด้วยพวกชาวสวรรค์ บิมันนิกะด้วยความโปรดปรานของท่านวาคารอบมีกด้วยความการุณาปรานีของท่านให้พวกเราได้เข้าสวารรค์เถิดอย่างน้อยส5้ากลุ่มดกันต่อไปนี้กลุ่มที่หนึ่งยะโครุญะ น, นะอความุนอฟอิดะตุฮมุมอฟอิดะติโตรีเป็นฮะดิษอิมามุสลิมผู้ใดที่มีหัวใจนิ่มนวลกลัวอัลลอ์ตลอดเวลาได้ไปสวรรค์ อร่อยดีไหมภาษาหะดิษอธิบายอย่างงี้อัฟอิดะตุตต้อยดเหมือนหัวใจนกเหมือนหัวใจนกพี่น้องเคยอุ้มนกไหมล่ะมันจับหัวใจมันเคยจับน้องพี่น้องหัวใจของคนที่มีหัวใจเหมือนหัวใจนกต้องาการจะอธิบายว่านิมนวน์สงสารคนเมตตาคนพี่น้องคนนี้เดไปสวรรค์มดแต่ต้เป็นมุสลิมนะ ไม่ใช่ใครก็ได้นะคนที่เป็นมุสลิมแต่มีหัวใจของก็เป็นหัวใจที่นิ่มนวลเหมือนหัวใจอัฟิดตุปไต่หรือเหมือนหัวใจนกผมเคยจับนกม า, อาลองเห็นสงสารอาลองอธิษฐ า, า, า น, นใครที่มีหัวใจนิ่มนวลสงสารเมตตานะครับบคนน่าจะไปสวรรค์ข้อที่สองคนที่เป็นมุสลิม แล้วก็ม ah <spr ay verse out> ีศาสนาและเป็นคนอ่อนแอเป็นคนจนๆเนี่พี่น้องเอาความเมตตาให้ไปสวรรค์หมดนะคนยากคนจนนี่พี่น้องดอยินในภาษาหะดีพูดดีมากนะครับอาลาอุคบิรุกุมบิอาลิญจันนะจะบอกให้พวกท่านเอาไม้ให้รู้ว่าชาวสวรรค์น่ะเป็นใครกอรูบดะบันดาสบะตอบว่าเอาสินบีตอบว่ากุนลูดอยฟินทุกคนที่เป็นคนยากคนจนแต่ต้องมีศาสนา นมาสะอาดอ่านกุรานถือศีลอดเป็นคนดีมามัสยิดอยู่เป็นประจำดูแลพ่อแม่ทั้งหมดนี้เป็นคนอ่อนแอเป็นชาวสวรรค์ข้อที่สามพี่น้องมันอตัตออานีดาคัจันานะใครที่เชื่อนาบีใครที่เชื่อปฏิบัติเชื่อฟังปฏิบัติตามนาบีของอัลลอฮ์เป็นชาวสวรรค์คนที่ขวาขงหน้านาบีไม่ได้ไปสวรรค์ คนี่ยืนประกาศว่าใครที่เรียนซุนนะห้ามฝังที่กูโบชันพวกนี้ไม่ได้ไปสวรรค์กครับพี่น้องพระไปขวางใครนะขวางซุนนะท่านนาบีฉะนั้นต้องปฏิบัติตามนาบีนะร อ, อพี่น้องอ่านยอยาอยคตินะอ่านเราตรงตรงอ่านข้ิตรงตรงพี่น้องคนประเภทที่สีคนที่รักษานาะมาซุนนาตุวันกับคืนหนึ่งสองราคาอั ก่อนซูโบสองรากาอัดรักษานายาชาตก่อนนมาฎบ่ายสี่รกาอัดหลังนมาฎบ่ายสองรกาอัดหลังนมาฎมกริบสองรกาอัดหลังนมาฎอิชะอีกสองรกาอัดสิบสองกาอัดใครที่รักษาเป็นประจำดะคอนเดลจันนะจะได้ไปสวรรค์อัลลอฮ์สร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาอยู่ในสวนสวรรค์ในกลุ่มที่กลุ่มที่4ีนะพี่น้องอัลลอฮฺอักบะฏ ต่อมากลุ่มที่ห <C ESS> ้าวัตซีลูรอฮีมาจากคนที่ติดต่อกับเครือญาติกลุ่มที่สี่นี่พี่น้องหนึ่งต้องเป็นมุสลิมด้วยสองต้องนมาสามต้องจ่าย zakat แล้วก็ต้องติดต่อกับเครือญาติอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นฮะดีษอธิบายอุรอานนะคนที่ติดต่อกับเครือญาติเครือญาติมีใครบ้างสรุปก็มีอยู่สิบกลุ่มหนึ่งมีพอ่อ สองมีแม่สามมีลูกชายลูกสาวญาติฝ่ายพ่อญาติฝ่ายแม่ลูกสะพ้ายลูกเขยพ่อตาแม่ยายใกลุ่มที่หา้า น, นะพี่น้องติดต่อกับเรื่อญาติกลุ่มที่หกพี่น้องคนที่มีมาญาติงาม พูดจาดีกลอพี่น้องพูดจาดีๆในมารยาทนำงานพูดจาดีๆไม่แสดงอาการโกรธโมโหพี่น้องพูดจาดีทานมาตะัดยุดเลี้ยงอาหารคนจะได้ไปสวรรค์นี่ข้อที่อะไรนะข้อที่หข้อที่ห <c oughs> ต่อมาข้อที่เจ็ดกลุ่มที่เจ็ดกลุ่มชนที่กล่าวคำนี้ทุกวันเช้าเย็น รับีตุบิลลาฮิรับบะวบิลอิสลามดีนวบิมุฮัมมัดอิลลัสซุลปัปฏิญาณตื่นเช้าขึ้นมาเป็นน้องหลังนมาสุบบหลังนมาศอัสรีตอนเย็นถ้าตอนเชา้าหลังนมาสุบบะีดตอาตอนเชา้ชาๆ้าเนี่ยป็นน้องมีอยู่บทหนึ่งก็คือรับีตุบิลลาฮิรบบฉันพอใจที่จะให้อัลลอเป็น าพาผู้อาภิบาลของฉันกล่าวทุกวันจนกว่าจะตายแล้วก็กล่าวอีกว่าบิลอิสลามมีดีนะและอิสลามเป็นศาสนาของฉันว่าบิมมหมุฮัมมาดือรอซูลนะแล้วก็มุฮัมมัดเป็นรอซูลของฉันกล่าวคำนี้ทุกวันเช้ากับเย็นนบี บ, บอกว่าวาจะบัตละหุลจันนะคนนี้จะได้ไปสวรรค์นี่กลุ่มที่นั้นนะกลุ่มที่เจ็ดพี่นอ้องอาตมา ก, กลุ่มที่แปด มณหาญาจารีญตใจนี่ใครที่มีลูกผู้หญิงอัลลอฮฺให้ลูกผู้หญิงคือการการมีลูกเนี่ยอัลลอฮฺให้สแบบนะมีลูกผู้ชายอย่างเดียวสมีลูกผู้หญิงอย่างเดียวสามมีลูกผู้ชายครึ่งหนึ่งผู้หญิงครึ่งหนึ่งข้อทัวสี่ไม่มีทั้งลูกผู้หญิงและมีลูกผู้ชายบ้านที้ไม่มีลูกเลยมีไหมมีนี่นบีสอนนะ ใครที่มีลูกผู้หญิงสองคนแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ลูกให้เข้าใจศาสนานะครับและสอนมารยาทอิสลามและได้มีโอกาสให้เขาได้แต่งงานกับผู้ชายที่ดีพ่อเขาแม่เขาจะอยู่กับนาบีใน ส, นสวนสวรรค์อัลลอฮฺพี่น้องแสดงว่าลูกผู้หญิงนะต้องดูแลให้ดีต้องให้เข้าใจศาสนาต้องหาผัวให้ด้วย ปัญหาสามีที่ดีให้พาลูกสาวเราเนี่ยไปสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้ได้พ่อแม่คนนี้จะได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นองมีสอป่ า, าถามว่าถ้าลูกมีลูกคนเดียวนะ่ะได้ไหมอัลลีบอกได้ได้ปล อ, อบใจนะถ้ามีสองสัมา ส, สองนะ่ะเยอะแล้วนะบางทีลูกแฝดพร้อมๆกันมีไหมมีครับคนเดียวได้ไหมก็ได้สามได้ไหมได้ยังมีปัญหาเอาต่อมา กลุ่มที่เก้าคน้องพูดถึงภรรยาภรรยาที่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยนบีสอนอย่างนี้ภรรยาที่นามัยครบห้าเวลาภรรยาที่ถือสิีลอดในเดือนระมาบอนภรรยาที่รักษาอา ว, วัยวะเพศของนางสีภรรยาที่เชื่อฟังสามีต้องการจะเน้นว่าภรรยาที่เชื่อฟังสามีเข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ประตูบานไหนก็ได้ ตัวลงเป็นภรรยานี่ข้อดีคือเชื่อฟังสามีถ้าเชื่อฟังสามีเนี่ยหัจบเลยหมดยเลยแล้วนางเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ผู้หญิงเนทําทำทำดีๆจะเงินไม่ต้องหาใช่ไม่ใช่หนึ่งเงินก็ไม่ต้องหาบ้านก็ไม่ต้องปลูกใครจัดให้สามีจัดให้ท่ญญานไซนาอุมัตจึงพูดแปลว่านางชั้นกับภรรยาชั้นเนี่ย ฉันนี่ถ้าพยาจะบ่นบ้างเชิญเลยเ พ, พราะพยามีของดีสี่ข้อหนึ่งขอดูกกับฉันสองเลี้ยงลูกแทนฉันอลัลลอฮ์เลี้ยงลูกนั้นงั้นรักนะแต่ผู้หญิงไม่ไม่เหนื่อยหรอกนะสมหุงอาหารให้ฉันทานอาลัลลอฮ์แล้วก็ที่สี่ซักเสื้อผ้าให้ฉันใส่สี่ข้อนี้เสนามาตัวถ้าพญาจะบ่นบ้างเชิญตามสบาย นำมาไปใช้นะพวกเรานํามาไปใช้ก็เอ๊ะเห็นมาจากนาบีก็ซ อ, อบ้านนบีทาเป็นแบบไว้ง่ายนาบีชั้นหนึ่งเลยนบีนี่ไม่เคยตวัดภรรยานะครับไม่เคยตวาดภรรยานาบีกลับเข้าไปในครัวเนี่ยเอามือของท่านนบีจับมือภรรยาเป็นไงเธอเหนื่อยเมื่อยเม่ยไหมเหนื่อยไหมนั่นนบีอราเคยทํามเปล่านู่นนทําก่อนอีกาณ์นูนะ่นอืมเอาต่อมาข้อที่สิข้อที่สิบ กลุ่มที่เสร็จที่จะไปสวรรค์ของเรานะกาฟิลลิอาตีมคนที่ดูแลเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเด็กกาพร้ามีสองกลุ่มกลุ่มจะเป็นญาติของเราแล้วก็เป็นคนอื่นด้วยจะเลี้ยงคนหนึ่งคนใดก็ได้เป็นญาติเราก็ได้อลูกพราพี่ชายพี่ชายตายเราเอามาเลี้ยงก็เป็นกําเพ้าใช่ไหยคนที่เลี้ยงดูเด็กกำพร้าต้อตงเลี้ยงให้เรียนหนังสือให้จบมีศาสนาจนวระทั่งเขาแต่งงานเนี่ยนะ ดูแลครับนี่แหละเป็นชาวสวรรค์อัลลอฮ์ให้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่กลุ่มที่สิบกลุ่มที่สิบเอ็ดพี่น้องคนที่ไปทําอุมร์หรือไปทำฮะดีอัลลอฮ์พี่น้องไปทําอุมร์ไปทำฮะดีเพื่ออัลลอฮ์ทำอุม ร, ทม ร, รท์ที่มาบรูร์ทำฮะดีที่มาบรูดพี่น้องได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลา บางคนมีตั้งเด็กกับผ้ากอเลี้ยงใช่ไหมสองถ้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมเชื่อฟังสามีอุ่นร้อนแล้วก็สามไปไปไ ป, ประกอบพิธีอุอ่นร้อนทำวัดความดีมีทั้งหลายอย่างอะ่ะนี่เราเล่าให้ฟังว่ามีโครงการที่อัลลอฮฺจะให้เข้าสวรรค์มีทั้งหมดสิบห้าโครงการอาุ่นร้อนเป็นโครงการที่ดีๆทั้งหมดเลยนะบางคนมีตั้งสิบโครงการอ่ะไม่มีอย่างน้อยทั้งหนึ่งโครงการก็อย่างดีใช่ไหม ในตัวเราเนี่ยนะควรจะมีความดีเอาไว้สักห้าโครงการหโครงการสิบโครงการหรือมีทั้งหมดสิบห้าโครงการก็ได้เอาต่อมาข้อที่สิบสองพี่น้องมันบ้านามัสยิดันใครที่สร้างบ้านของอัลลอฮ์ใครที่มีส่วนในการสร้างบ้านของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะสร้างบ้านให้เขาในสวนสวนรรค์และให้อยู่ในสวนสวนรรค์ด้วย Allah, อัลลอฮ์อัตบัดยิ่งใหญ่นะนี่เป็นฮะดีษอธิบายเสริมคุรานกลุ่มที่สิบสามพี่น้อง <c oughs> คนที่ถือศีนอดกลุ่มที่ศึกษานะแล้วก็นามาตแล้วก็บริจาคนี่เป็นพยานนะหรือเป็นสามีด้วยกว็ได้เป็นน้องแต่ทะเลาะกับเพื่อนบ้านไม่ได้ไปสวรรค์กับเพื่อนบ้านเนี่ยสำคัญที่สุดนะอย่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านฉะนั้นคนที่ทําดีกับเพื่อนบ้านเตรียมตัวไปสวรรค์ได้เลย เพื่อนบ้านมีกี่ข้างอ่ะข้างหน้ามีใช่ไหมข้างข้างซ้ายมีข้างขวามีข้างหลังมีอย่าทะเลาะกับเพื่อนบ้านนี่คนที่ฟังศาสนามันดีอย่างนี้พี่น้องอดทนได้ไม่เป็นไรบางทีมันเปิดเพลงดังแล้วก็ต้ทนบางทีบรรดาได้มาก็ต้องอดทนพี่น้องอรอว่าบางทีมันเมามาทำไม้เราก็ต้องทนพี่น้องจัน คนที่ทําความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพิโนนั่นอันตรายสุดๆนั่นมุสลิมจะต้องไม่ทําความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านของเรามีสาวบ้านมาถามนาบีว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งทําบุญกเก่งนามาดก็เก่งแต่ปากเสียถามท่านนาบีว่านางเป็นคนยังไงนามาดว่าฟินนาสนาเป็นชาวนารกแต่มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งนามาด หาเวลาทำบุญเป็นเล็กน้อยเพราะคือนคนจนแต่มารยาทงามไม่เคยทะเลาะ ก, กับชาวบ้านเลยในบีบวกนางเป็นชาวสวรรค์ฉะนั้นอย่าทะเลาะ ก, กับเพื่อนบ้านกลุ่มที่สิบสี่มันซาร์กาตอรีกอนยาตามิซุนฟีไอมันสะฮลลลอฮูลาหูตอรีกอนอิลันจันนะคนที่ออกจากบ้านมาเรียนมาเรียนหนังสืออย่างพวกเราเนี่ยอายุกวเยอะแล้วเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบ อัลลอฮ์ออกจากบ้านในกติสีนะครับติสี่ครึ่งมาในมาถึง ม, มัสติแล้วก็าเอาทับซีดมานั่งอ่านพี่น้องเนี่ยการเราเกิดตายในขณะนี้เรามีโอกาสอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอ์สูงมากเพราะเราอยู่ในช่วงของการศึกษาหาความรู้กลุ่มที่15ห้ากลุ่มสุดท้ายมีดวอาพี่น้องเมื่อกี้กัดอาเหมือนกันใช่มหอะไรนะดอา อัลลรับีตุบิลลอฮฺรับบะวบิลอิสลามิดีนาวบิมุฮัมมัดุลราซูลตะคุมสุดฮะน์ตะคุมที่สุดนี่ให้ว่าบทนี้อัลลอฮฺมะอัลลอฮฺรบบีลาอิลลาฮฺอิลลาอัลลอฮฺขวลาานีวะอานาอับดุคะวะอานาอลาอัฮดิกะวาวาดิกะมัสตะตัตุอะบูอุลลกะบินีอัมมติกะอัลเลยะวะอะบูบิดามบี ฟ้ากฟิร์ลีฟ้าอินนุห์ลายาฟิรุจุนบ์บัลลาแอนต์อัลลอฮุมอาลิอัลลอฮิมบัลคัมินชาลิมาซานาตุนี่เป็นตัวอาตอนเชา้ากับเป็นตัวอาตอนเย็นคนที่กล่าวดัวอาบนนี้ได้ไปสวรรค์ <c oughs> ที่นักเรียนสอนาบาถามก็ได้ตัวอาบนนี้ทุกคนพอเข้าแถวเนี่ยอัลลอฮุมอาลลอฮิมตอรอบีลลอออันพูดประจำโยทังท่องจำนี่แหละ จะพาให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮ่านาฮูอัตตาล่าอัลลอฮ์พี่น้องดีหมดเลยอ่ะนี่เอาแค่15รายการนะทั้งหมดมีมากกว่านี้อกีกเดี๋ยววันหลังจะค่อยแนะนำเอามาพี่น้องเอาต่อมาครับพี่น้องอายะที่24วะฮุดูอิลัตตบยยิบมินัลกอูล วะหดูอิล <im itat> ัซ at ิราตุลฮามีดวะหดูอิลัตุยิบมินอัลกอูลวะหดูอิลัซิราตุลฮามีดอายะนี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้ก่อนที่เขาจะตายนะก่อนที่เขาจะกลับไปหาอัลลอฮ์ก่อนตาย นะครับเขานำเอาเขาเข้าใจคำว่าแลอิลลอิลลอหแล้วก็เข้าใจเอาคุรานมาเป็นทางนำสำหรับชีวิตแล้วเขาตายพอเขาตายเป็นไงครับวาฮูดูและพวกเขาได้ถูกนำทางอิลปอยยิบสู่คำพูดมินัลกาวลิคำพูดที่ดีมีประโยชน์ คำพูดที่บริสุทธิ์สะอาดถือเข้าใจคำว่าละอิละฮิลลอละก่อนตายฉะนั้นคนพวกเราที่มานั่งเรียนตั้งเสดอัลกุรอานนี่พี<ม>่น้องเพื่อจะอธิบายคำว่าละอิละฮิลลอละอย่างเดียวทีนี้ใครที่เข้าใจคำนี้ละอิละฮิลลอละจะไม่เคารอพผูดด้ใดอื่นจากอัลลอฮใช่ไหมแล้วก็ยืนหยัดจะไม่กลับ โตจะเกียรจะไม่กลับโตระยอมจะไม่หาหมอผีหมอดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแม้แต่ จ, จิงจบทักก็ไม่เชื่อพีอ่คนที่ยืนหยัดอยู่กับอัลลอฮ์นี่ก่อนตายนะพี่น้องครับเวลาเขาตายแลวนี่นะเพราะเขาถูกอยู่ให้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องก่อนตายแล้วก็ต่อมาครับวาฮูดูอิยาสิรอตุลฮามีดและพวกเขาถูกนำ ทางที่ได้รับการสารรเสริญสิริราะวัตทางคามิดทางสารรเสริญก็คือทางไปสู่สวรรค์หรือทางของอิสลามหรืออัลกุรอานตีความหมายได้หนึ่งศาสนาสองกุรอานสามสวนสวรรค์ก่อนตายเนี่ยเขาเข้าใจอิสลามก่อนตายเขามีกุรอานก่อนตายเขารู้จักอัลลอฮ์พอตายพระอัลลอฮ์จะให้เขาอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ سبحانه และก็อัลล อ่านบางทีไม่ไม่อศ ma. ัยต็มซีบางทีแปลยากเหมือนกันนะต้องอาศัยตัมซีด้วยนะครับวะฮูดูอิลต้อยมินอนเกาลิเพราะพวกเขาเนี่ยได้ถูกนำทางสู่คำพูดที่ดีมีประโยชน์ก็คือเข้าใจคำว่าละอิลละอิลละลก่อนตายวะฮุดูอิลสอิลสิราตีลฮามิดและพวกเขาได้ถูกนาทางที่จะรับการสรรเสริญก็คือ ได้เข้าใจอิสลามได้เข้าใจกุรอานก่อนตายกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาสองรายการนี้ทำให้เขาอยู่ในทางนำที่ถูกต้องพี่ทอง <c oughs> อ้างต่อมาแสดงว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่อัลลอ์รับรองเป็นศาสนาที่ดีที่สุดนะครับมีตั้งห้าหกศาสนาใช่ไหม ยิฮูดีนัสโลนีนามายูซีซอียบิอัลลอฮ์ไม่ได้เอาเข้าสวรรค์สักกลุ่มหนึ่งเอาเข้าสวรรค์คนที่อามานูวาอามิลุซอลีฮะก็คือคนที่ยึดคุณอ่านยึดสุนนะอับบียึดอัลอิสลามเป็นทางนำสำหรับชีวิตจะได้เข้าอยู่ส่วนสวรรค์ของอัลลอฮ์อักัสซีฮอัลลอฮ์อัโออัยะที่ยี่สิอินนัลลาฮีนักกฟาร ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاقف فيه والباد ومن يرد فيه بال ح าดีบิดุลมน قه มิน ذ าบินอเลมสาวะอิน ا ลอาค ا ฟจำไหมอันิลสาวะอันะครับสา ا ะอันิลอาคิฟอินัลลาวีนักฟา و ن วะยาซุดูนั والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه و ا ل ب ا د و م ن يرد فيه بإلحاد ب ظ ل من ذ ق ه من ع ذ ا ب أليم ได้ความรู้อายานี้หลายรายการความรู้เรื่องเรื่องเรื่องทีหนึ่งสรุปผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่ปฏิเสธอิสลามปฏิเสธอัลลอฮ์สองคนที่ขัดขวางคนไม่ให้ไม่ให้เข้าหาอัลลอฮ์ขัดขวางคนไม่ให้เข้าหาอิสลามขัดขวางคนไม่ให้เข้าหากุรอาน ขัดขวางคนไม่ให้เข้าหาสุนัานบีวัลมัสยิดทารอมแล้วก็ห้ามคนไม่ให้เข้าไปในมัสยิดทารอมอล l l a นี่หนักโทษหนักหมดเลยเอาดูดูคำแปลอินนัลลาีนักฟารูแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธก็มีอยู่หกกลุ่มใช่ไหมผู้ปฏิเสธจะคิดน่ะอนั่นละห้ากลุ่มสิอามานูคนกลุ่มกุ่มที่ห ผู้ที่ปฏิเสธอิสลามปฏิเสธคุรานปฏิเสธสุนนะนบีวายาซุ ด, ดูนาอันสับบิลลัลกลุ่มที่สองผู้ที่หังห่างผู้คนออกจากทางของอัลล์หรือคนที่ขั ด, ข, ดขวางทางของอัลลอฮ์ใครเรียนศาสนาอุมาหิเรียนจะเปิดอบรมที่สุราไมได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเอ็งเอาสุนนะมาสอนไม่ให้สอนไม่ให้สอนใครขวางทั้งหมด อัลลอฮ์นี่ขัดขวางนะไม่ให้ไม่ให้ชาวบ้านเรียนาศาสนาไม่ให้ชาวบ้านเรียนกุรานไม่ให้ชาวบ้านเรียนสุนนนะนบีขวางหมดพี่น้อง <c oughs> แล้วเป็นไงครับ <c oughs> วัดมัสยิดิลฮามแล้วขัดขวางคนไม่ให้เข้าไปในมัสยิดฮารมนี่อัลลอฮ์ต้องการจะเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากนาบีได้อพยพจากนครมักกะไปอยู่ที่นครมดีนะ แล้วก็ต่อมาในฮิจรรัที่สองปีที่สองนี่นะของของฮิจรรัตเนี่ยนบีเนี่ยพาชาวบ้านนาบีมาเยอะมากเลยมาเพื่อจะมาประกรอบพิธีอุหมะเสร็จแล้วพวกมุสริกีนมักกะไปะยืนขวางไม่ให้นบีทำอุมะไม่ให้เลยไม่ให้เลยไม่ให้ทำเลยไปน้อง นี่ในตัทเซอธิบายอย่างนี้เลยอัลลอปีที่สองแห่งฮิจรอั์อิสลามนาบีอพยพไปอยู่มารีนาแล้วต้องการจะมาทำอุมร์มากันเยอะมากพนะี่น้องโอ้โหเตรียมตัวกันมาทำอุมร์เสร็จแล้ววลมุสลิมมาไม่ให้ทำนี่อัลลอฮฺจำหมดเลยครับและอีกกลุ่มหนึง่งพวกชาวะนะฟิลอาลุลฟีลนะ อัลลอฮตะรไกฟะฟะลอรอบบุกะ บ, บิอัสฮาบิลฟีต้องการยกกองทัพช้างมาจะมาทำลายกาบะมันก่อนน บ, บีมูฮัมหมัดจะเกิด น, น่ะปีนั้นแหละคือปีช้างน บ, บีเกิดพอดีปีช้าง น, นั่นแหละพวกนี้แหละนะคิดอัคติต้องการคิดไม่ดีเขาเรียกว่าซู้เรื่องอัคติเรื่องไม่ดีจะมาทำลายกาบะของอัลลอฮฺอัลลอฮฺส่งอะไรนะปล่อย อบาบีนอัลลอฮ์นกนี้ยังอยู่นะนกนี้ยังมีชีวิตอยู่นะพอพอกับ น, นกนกพวกขี่ราบมันกันใหญ่แล้วพกนี้ชอบชอบหิวนะชอบหิวหิวอะไรนะไอ้น่ะไอหินอ่าหินเนี่ยมาโปรยฉะนั้นใครที่คิดที่จะทำลายกะบ้าของอัลลอฮ์แม้แต่วันนี้นะยะฮูดีว่าวางแผนจะทำลายเฉญเลยอ่าดูกรุรานะครับ อินนัลลาลินะกะฟารูแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธสองวายสุ ด, ดูนะอันซาบีลิเลและผู้ที่ขัดขวาง น, นะครับขัดขวางผู้คนไม่ให้เข้าหาอัลลอฮ์หรือขัดขวางทางของอัลลอฮ์วันมัสยิดิลฮารอมแล้วก็ห้ามคนไม่ให้เข้าไปในมัสยิดฮารอมในประเทศไทยเมื่อสิบเจ็ดปีที่แล้วมี มีคนคนหนึ่งยับเอ่ยชื่อพุกตาไปหมดแล้วไปยัดไปยังไม่ให้ไปทำฮายีประมาณพันคนน่ะว่กกลุ่มนี้ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้ามันพาลคนที่เล่าผมฟังนะใครถูกไหมเชิอัมมามาเยี่ยมผมเนี่ยเมื่อสองเดือนสามเดือนที่แล้วเนี่ยฟังพุทธวจนะำได้ป่ามีคนอยู่คนหนึ่งไปที่สถานทู่เรื่องนี้ถึงผมเอง ไม่ให้มุสลิมประเทศไทย ม, มีมันประมาณแป่เจ้ารคนทุงพัานคนมีชื่อลิสเต็มหมดเลยห้ามเข้ามัสยิดฮารอมเขามีสิตอะไรอะล่ะมันคุมพูดเราเองทะเลาะกันเองแล้วก็ไปแจ้งประธานโทษแต่ผมพิ่งรู้ผมลืมไปแล้วนะก็ว่าโอ้คนนี้แสบล้วตายไปแล้วอ๋อเอาอันนี้มัสยิดฮารอมเนี่ยอัลลอ์มีไว้ทำไมครับ Allah d อ j a d i l a h u l i n a s i s นะเราได้ทำให้มัสยิดฮรอมเป็นไงครับเท่าเทียมกันอัลลอฮครับพี่น้องมัสยิดฮรอมตรงนี้นะมนุษย์ทั้งหมดที่อยู่บนโลกใบนี้โดยเฉพาะมุสลิมนี่นะมีสิทธ์เท่าเทียมกันอัลลอฮเห็นย่งอัลลอฮประ ก, กาศนะครับพี่น้ออ่านเลยนะ มุสลิมทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้มีสิทธ์เท่าเทียมกันเฉพาะมัสกิตฮารอมอัลลอ์เท่าเทียมกันอ่ะทีนี้อุลามะฟิกโกะเขาบอกว่ามีอยู่ห้าแห่งเท่าเทียมกันมีสิทธิ์ไปเยือนได้ตลอดเวลาอะไรบ้างครับหนึ่งฮารอมที่มักกะเนี่ยอุลามะนะ สองอฟาและมารว์วามุสลิมทั้งโลกมีสิทธิ์มาเยี่ยนได้มาเยี่ยมได้มาอะไรนะมาเดินสสแอได้อันที่สามทุ่งมูนามีนา 4. อาราฟาดหามุสดาลิฟะเป็นสถานที่ที่อัลลอฮ์จัดเอาไวเ้เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนอาหรับหรือคนบ้านนอกหรือคนจากประเทศไหนก็ตามมีสิทธิ์ในตรงนั้นเท่าเทีเทยมกัน ห้ามซื้อห้ามขายแต่ไปเยียนได้ไหมได้ไปตอ ว, วาบได้ไปสูดูดได้ไปทาอะไรได้เมื่ออัลลอฮฺประกาศห้ามดุลนาคีน้องสบาใจมในในช่วงที่ผมอยู่ที่เยเนียครับคอวห้ามไปทัดเนี่ยพอถึงเวลาเข้าวัา น, ในใทัเมื่อไรผวรอรุ่งมงมไปทุกที่ได้ห้ามอ่ เอาทัวรลงว่าอัลลอฮ์ครพีกคุรอานอธิบายดีนะยาอ่านาหูเราได้ทำให้กาบะอุลมะอธิบายจะมีอินทรี์ที่อีกมีมุดสลิฟะามูนานะครับแล้วก็อะไรอีกนะอ า, อาราฟาตมูนาซอฟามารวะทั้งหมดเหล่านี้นะเป็นมีสิทธิเท่าเทียมกันมุสลิมทั่วโลกพี่น้องซวาอนิลากิฟแม้ต่คนข้างใน คนที่อยู่ประจํ์อากิฟคนอากิฟอายกิกาไปละคนที่อยู่ข้างในคนในซาอุดีเองวันบาทคนที่มาจากที่อื่นอัลลอฮ์คนที่มาจากที่อื่ น, นทั่วโลกนะั่นเหลจะเป็นมุสลิมเขามีสิทธิ์ในที่ตรงนั้นเท่าเทียมกันเห็นไหมพี่น้องอัลลอฮ์ประกาศใ น, นอัลกุรอานเลยนะมักก ะ, ะอัลลอฮุอะลล หรอมตรงนั้นรวมไปถึงมุดดาริฟามูนาอรารฟาสอฟามาว่าเป็นมีสิทธิ์มุสลิมเท่าเทียมกันไปเยือนได้แต่ ร, าฐารัฐบาลซาอุดีก็ดูแลไปเยอะๆกรมีที่เดินก็ก็ต้องประจัดอ่ตรงนี้กี่เปร อ, อ, อร์เซ็นต์อันนี้คืเปอร์เซ็นต์นั่นดกี่เปอร์เซ็นต์อ่าเขาเพียงแต่รอเวลาหน่อยมีคิวมีคิวมีคิวไม่มได้ห้ามไม่ได้ห้ามรับดลอันคุ้อบาใจใช่ไหมรัฐบาลใจรับดูลเลยเอาต่อมาครับ ว่าไม่ยุริดออผู้ใดที่ประสงค์ผู้ใดที่มีความมุ่งมั่นต้องการฟีฮิบิลบอลฮาดทำนอกลูนอกทางในนครมักกะใครที่อยู่ข้างนอกอะจะอยู่ที่เมืองไหนก็ตามคิดไม่ดีฉันจะไปทำลายทำนอกลูนอกทางที่มักกะ บีซึลมิด้วยความอาธรรมอาธรรมอธิบายจํหนึ่งชีริก2สองทําบาปสามไปทําชั่วสี่ไปนําเอาความไม่ดีไม่งามเข้าไปทําตรงนั้นคิดไม่ดีอัคติในสถานที่ตรงนั้นนูเรคหูเราจะให้เขาชิมมินอาญาบินอาลีมการลงโทษที่เจ็บปวดให้มากที่น้อง คับนี้คำเดียวท่าถ้คนผวาหมดเลยเอาล้วใครเราไปคิดไปทำชั่วดูสิเอาเชิญเลยอุลมามะอธิบายตัอเสียอธิบายว่ายกตัวอย่างชาวไวน่าชาวช้างเนี่ยอาชาบุลฟีลที่มาจากเมืองเยเมนต้องการที่จะมาทำลายกะบะอัละเอัละยังทำลายให้เห็นเลยฝอัสลาอะไลฮิมตอยรอนอบบีเราส่งนก อบาบีนคาบหินมาจากไฟนรกมาทําลายตายเรียบหมดเลยครับฉะนั้นใครที่นึกไม่ดีในสถานที่ตรงนั้นเชิญเลยเพียงแต่นึกไม่ดีเนะี่ยเราจะได้นะหนูเรียบพูดที่ท่านถามว่าทําไมอัลลอฮฺพูดเบาเลยเกเอลัลลอให้เราชิมแค่ชิมละตายเลวนะรออาช า, าบุนฟินเะนี่ยชาวช้างตายเรียบ อ布拉ฮามตาเลยอ่ะอ้ามีคิดสุขโปกยังไงั้ล่ะวันนี้ก็เหมือนไก่ไ ค, คิดสุกโปกกับที่ตรงนั้นเ ฉ, นฉนยท่านยะฮูดีฉเฉยครับอัลลอฮฺไปนมาตรงนั้นไปนมาโดยผลระเบิดถลายแสนเท่านะแล้วไปทําให้ดีกับทลายมันก็แสนเหมือนกันแต่คาว่าไปนมาเนี่ยนมาตามดีหมามรือเปล่าไม่ไปนมาแค่สุนมาสุนนาทก็ แค่นำมานอย่างเดียวน่ะอัลลอฮ์ให้ผลบุญแสนเท่าอัลลอ์ยิ่งใหญ่มากครับฉะนั้นเรามองดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์เป็นสถานที่อัลลอฮ์เปิดกว้างสาหรับพินนมองมุสลิมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันอัลลอฮ์ละคิดไม่ดีก็ถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ไม่มีใครกล้านะนูซิคฮุมินอาดะบินอาลีเราจะได้นะ ให้เขาชินการลงโทษอันเจ็บปวดอัลลอฮฺอักบัตฺบินอฺนะโมตบิลาห์ลงยาดิเอาอายาศุดท้ายไปนอนว่อิบวาณาลิอิบรอฮิมะมะกาณัลเบิดอัลลาตุชริกบีชัยอ و َ ط َ ه ِ ي ر بَيْتِ الْقَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ و َ ا ل ر ُّ ك َ ع ِ السُّجُودِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ل ل َّ تُشْرِكْ ب ِ ش َ ي ْ ء ว่าภัยรบัยที่ล il <trabajo> <S 2 episódio> ิขภาพินวัลควอมินวัรุกกอิสูจุดอัลลอฮฺบัได้ความรู้เยอะมากเลยรับุความรู้เรื่องเรื่องที่หนึ่งอิบราฮิมเนี่ยก่อนหน้าที่จะไป เนี่ยจะไปอยู่ที่นครอะไรนะที่มักการเนี่ยนะพาลูกไปภระยาไปเนี่ยท้าวกรนาเคยไปไหมไม่เคยไปครครั้งแรกพอไปพัพเนี่ยอัลลอะน่ยชีย้นำเบาวะนาะแปลว่าเราได้ชี้หรือได้กำหนดเจาะจงชี้นำแบบไหนแบบแบบไรน่ะเขาเรีวานะมือแบบมือมือที่สามแบบไม่ไมีใครรู้ ที่นำว่ที่ตรงนี้นะเป็นกาบานาและกลาบนาที่ว่านี่พี่น้องมีรากฐานเดิมอยู่แล้วแต่ตัวอาคารไม่มีก่อนหน้านี้มีสองมีสองนบีที่ผ่านมานาบีอาดัมไปตวารฟแล้วแล้วก่อนหน้านี้อีก น, บ, นบีนบีน่วก็ไปตวาฟแล้วนบีบรหีเป็นนบีคนที่สามฉะนั้นราก กัวอิอวอ๊กหมายถึงรากฐานเดิมยังมีอยู่แต่ตัวอาคารไม่มีอัลลอฮ์ดนใจให้นบีบรหเนไปอยู่ตรงนี้เลยเอาพายาไปไว้เท่านั้นนี่มันงานของอัลลอฮ์งานเร้นลับเป็นไปรปู้นคุณอ่านเล่าวะอิกเบาวานาและจงรำเลือกถึงเมื่อเราอัลลอฮ์ได้ชี้หรือกำหนดเจาะจง ลอิบรอฮิมแก่นาบีอิบรอฮิมมากานมากานแปลว่าสถานที่มากานแปลว่าสถานที่ภาษาอังกฤษมากานสถานที่อันใบสถานแห่งบ้านหมายถึงกะบะอันใบแปลว่ากะบะทีนี้จงรำลึกถึงเมื่อเราอัลลอฮ์ได้ชี้หรือได้กําหนดเจาะจงสถานแห่งบ้านหมายถึงกะบะแก่นาบีอิบรอฮิมอัลลอฮ์ได้ความรู้นะ สถานกาบะมีมาก่อนแล้วนะครับนาดีอิบราฮิมไม่เคยมาภาษาอุษุดูว่างี้นะคอนาคาบะเกงอิมาโรตอุสวร์เมายุดนาทีช่วงนั้นนะ่ะตัวกาบะไม่มีเมายุตนาทีแปลว่าไม่มีทมดูเลยละมีแต่รากของมันนะมีแต่รากอาคารอยู่ใต้ดินมีแต่ข้างบนไม่มีน้ําท่วมหมดแล้ว ส่งนบีอิบราฮีมไปครับประจัดการที่นั่นทีนี้เรื่องใหญ่ก็คืออัลลอฮตุสริกบีใอและํำชักนะคำชับ น, ะ บ, นบีอิบราฮีมเมื่อมาถึงที่ตรงนี้แล้วหนึ่งต้องไม่อัลลอฮตุสริกจงอย่าตั้งภาคีใดๆต่อฉันละตุชริกบีอิบราฮม อย่าตั้งภาคีใดๆกับฉันเป็นอันขาดพี่น้องเรื่องใหญ่เรื่องนี้แหละเรื่องตั้งภาคีเนี่ยเรื่องชีวิตเรื่องใหญ่มากเลยฉะนั้นตะกุดไม่มีในอิสลามอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีในอิสลามอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดกําชับนบีอิบรอฮีมว่าลาตุชริกบีชายาอิบราฮิมเอ๋ยฉันทรงคุณมาตรงนี้ <c oughs> จตุคาบอพูดแล้วมันกระเทือหลายคนอ๋อลลไม่มีจตุคาไม่นู่นน่นไม่มีนี่ไม่มีอะไรทั้งนี่ไม่มีโต้ตะเกียรตโตะระยอบไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายฉันต้องสะอาดบริสุทธิ์จากการตั้งถากนี่คำชัดไทยนะอิบรอฮิมเพราะเป็นนาบีที่ยิ่งใหญ่พถูกโยนส่ไฟไม่เบาน่ะเอาต่อมาครับ <S <S วะตอฮิรไบทีและจงทาบ้างของฉันให้สะอาด อัลลอฮ์ต้องเอีบใบตีอัลลอฮ์เป็นทางบรนเรานี่นะพอเราพูดว่าทําบ้านให้สะอาดจะ ต, ตีความหมายอยู่ด้านเดียวนะบ้านต้องสะอาดไม่มียใยแมลงมุมต้องไม่มีนั่นรบรุงรังข้าวป้อเฮีร์ใบตีอีกทัศนะหนึ่งแปลว่าอย่าให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยู่ตรงนี้มีสองความหมายหนึ่งสังข้างนอกสะอาดข้างในก็ต้องสะอาดหัวใจต้องสะอาดได้ด้วย อัลลอฮฺอัลลัลยิ่งใหญ่นั่นคัมภรรยาเชเข้าวจาอิสลามนะบ้านสะอาดอัติดาก็ต้องสะอาดด้วยอัลลอฮฺอัลบาดยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่ว่าพอฮิรเบย์ี่แลจงทําบ้านของฉันหลังนี้ให้สะอาดจากละจากบรรด า, จาเจวิตอ่อให้กระขครครับลทิ์ปออีฟินผู้ที่เดินตว่า วันนี้เราเดินสบายไหมพี่น้องอรอเดินสบายเพราะเขาเหนื่อยกันมาแล้วเร า, าไปอย่างเดียววันนี้พี่น้องมาเดิเหนื่อยสลกนิดหนึ่งเพราะเขาเคลียร์กันหมดแล้วคนที่เคลียร์คนสุดท้ายนาบีมุฮัมมัดสุลต่านอัสซาลาห์คนที่เคลียร์คนแรกนะบีอิบราฮิมเหนื่อยไหมเหนื่อยครับมุฮัมมัดอับดุลวาฮาที่ถูกตำหนิว่าเป็นวาฮาบีเพราะเคลียร์เรื่องนี้ไงพี่น้องเคลียร์เรื่องรูปเจเวตนี่แหะของฮารอมเต็มไปหมดเนี่ย ร่วมกับอุลลมะอุลลมะร่วมกับกษัตริย์ทําลายกูบโบสิ่งสักดิ์สิทธิ์จึงได้ถูกด่าว่าเป็นวาฮบินนี่พี่น้องทําเรื่องนี้แหละเรื่องที่อัลลอฮ์พูดในคัอักุรอานอยายะที่ไหนนะอยายะที่ยี่สิบหนี่แหละพี่น้องวะปอฮิบบรไบตีจงไรนะจงทําบ้านของฉันให้สะอาดอยาให้มีรูปเจเวตออลในกาบ้านวันนั้นมีรูปเท่าไหร่นะสามร้อกสิกว่าองค์啊 ตัวเล็กๆ เ, เ, เ, เ, เ, เ, เ, เต็มไปหมดนะพอนาบีมายึดนครมั ก, กาได้ท่านระเสียบพนบูบักบุบักช่วยคลี่รูปเจเวตออกให้หมดได้นั่นเป้าหมายอยู่ตรงนั้นฉะนั้นกุณอ่านขยะนี่เตือนเตือนผู้เราที่อ่านกุอ่านนะบ้านเราก็เหมือนกันจะเป็นร่างหลังหนึ่งที่อัลลอฮ์มีอำนาจอยู่นะอย่าให้มีสิ่งสุกรอย่าให้มีเจเวต ท, ที่อยู่ในครอบครัวของ สะอาดต้องเคลียร mm ์เราเอาเราให้ให้โอกาสแล้วใช่มหบ้านแล้วสะอาดบริเวณนี้ต้องไม่มีสิ่งสิ่งร้าสิ่งจเวททั้งหลายที่อยู่ในรอบตัวเราเมื่อก่อนนี้เท่านี้มีอะไรน่ะยอพุมเล่าให้ฟังอะไรสารพะพุ่งสารพะพุ่งอ่เาแล้วว่ากกว่าจะเคลียร์ได้หลายปีแล้วเอาไปน้อง หนึ่งตรงทําบ้านของฉันหลังนี้ให้สะอาด จ, จะรูปจะเวดวัลก อ, อีมีและสำหรับคนที่ยืนนมาเดี๋ยวนี้สบายไหมพี่น้องอัลลอฮฺอัลลไวเขาเหนื่อยกันมาแล้วต่อมาครับวลรุกกรูกวัวคนที่รูกวัววัสุยูและคนที่กราบอัลลอฮฺอัลลบถามว่ามีคนถามว่ามัสยิด หลังไหนบ้านของล้อหลังไหนที่ถูกสร้างก่อนมันมีกาบากับอะไรนะอัลอักซอเนี่ยใครสร้างก่อนกันคําตอบก็คือในขีมัมฮัดิดบุคารี ari, มุสลิมอันอบีรัดกุลตุยาอัสูลลอห์อยมัสยิดฮูดยาอัววัลมัสยิดหลังไหนที่ถูกสร้างก่อนบนโลกใบนี้น บ, บีตอบว่าอัลมัสยิดุลฮารอมมัสยิดฮารอมจีนมาการสร้างก่อนเพื่อเต็ ซุ่มมากู้แล้วก็มีมัสตดหลังไหนอีกที่รองลงมากอบบตุนมักิสอ่าตอนนี้ยิคุมไปแล้วใช่มกุ้ตุกันบนะมาห่างกันกี่ปีกอละอบบนนะปีสร้างมักกะก่อปีแล้วก็สร้างอัลอักอรมักลิสีปีหลังดังนั้นนี่เป็นความรู้ที่เราได้รับเพิ่มเติมจากอัลกุรอานโซรอนีนะครับพี่น้อง สรุปรสั้นก็คืออิบรอฮีมอ๋ลลเเ อ, อเป็นคนบุกบุกเบิกพญานาฏอิบรอฮิมเป็นคนบุกเบือกนครมักกะห์ลฮัมดุลิลละแล้วก็คนที่เอารูปเจเว็ตเข้าไปนในท้ายพวกยูรุมและอีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องพวกอามาลิกอ์เอารูปเจเว็ตเข้าไปนครมักกะ Nabi Islam itu memakia Ibrahim, memakia, memakia konsumtai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Jangan-jangan orang yang clear alur jahat dari kafe ini pun berbunyak oh, banyak. Jadi, kita semua hendaklah jangan biarkan jahat itu beredar di kalangan kita. Terima kasih.